ทำนำหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชได้เมตตาเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งที่สวนสันติธรรมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีและสถานที่อื่นในแต่ละปีเป็นจํานวนหลายร้อยครั้งโดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ตามคําสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคณะสิทธิ์ได้เคยรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมท ตั้งแต่ปี2545จนถึงกลางปี2551มาเป็นหนังสือเครื่องหมายคำพูดเปิดประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปรามโามทปราโมชโชปิดเครื่องหมายคำพูดซึ่งได้พิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2552สำหรับหนังสือเครื่องหมายคำพูดเปิดประมวลธรรมเทศนาเล่ม2ของหลวงพ่อปรามโามทปราโมชโชปิดเครื่องหมายคำพูดนี้เป็นการบันทึกข้อธรรมต่างๆ ที่หลวงพ่อได้เทศนาต่อมาอีกประมาณหนึ่งปีจนถึงกลางปี2552โดยเรียงลำดับหัวข้อรมตั้งแต่คำสอนในพระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติภาวนาวิธีการภาวนาและผลที่เกิดจากการภาวนาซึ่งหลวงพ่อก็ได้เมตตาอนุญาตให้จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน นับว่าเป็นความการุณาอย่างหาที่สุดไม่ได้คณะผู้จัดรรมเห็นว่าธรรมเทศนาชุดนี้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านเนื้อหาและสาระด้านการปฏิบัติธรรมถึงแม้หัวข้อธรรมบางหัวข้อจะมีชื่อซ้ำหรือใกล้เคียงกับหัวข้อธรรมในหนังสือเครื่องหมายคำพูดเปิดประมวลธรรมเทศนาปิดเครื่องหมายคำพูดเล่มแรกแต่ในเล่มนี้หลวงพ่อก็ได้เทศนาในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจข้อธรรมนั้นได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะผู้จัดทำขอให้ผู้อ่านได้เข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทปาโมชโชที่ได้แสดงธรรมตามสมควรแก่จริตนิสัยของผู้ที่มาฟังธรรมในครั้งนั้นๆซึ่งอาจเป็นการเทศนาที่เฉพาะเจาะจงให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลบางกลุ่มบางประเภท ดังนั้นจึงขอแนะนำให้อ่านหนังสือที่หลวงพ่อปราโมทเป็นผู้เขียนเครื่องหมายดอกจันอธิบายเครื่องหมายดอกจันหนังสือที่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชเป็นผู้เขียน 1. วิธีแห่งความรู้แจ้งฉบับรวมเล่มพิมพ์ครั้งที่31มอมกันยายน 52, สอ5พัน้อมห้าสสนักพิมพ์ธรรมดา 2. ประทีปสองธรรมพิมพ์ครั้งที่สิบห้า กันยายน2552ันห้าร้าสำนักพิมพ์ธรรมดา 3. ทางเอกพิมพ์ครั้งที่สิบแปดกรกฏาคม2552ัอยห้าสิบำนักพิมพ์ธรรมดา 4. วิมุตติมาร์คพิมพ์ครั้งที่11บเกรกฏาคม2552ัอยห้าสิบำนักพิมพ์ธรรมดา 5. แก่นทำคำสอนของหลวงปู่ดูลย์อตุโล พิมพ์ครั้งที่ 9, กาันยายน2552นอสำนักพิมพ์ธรรมดาเพื่อให้เข้าใจหลักของการภาวนาในภาพรวมทั้งหมดก่อนจากนั้นจะสามารถเข้าใจธรรมเทศนาที่หลวงพ่อแสดงให้ผู้มาฟังทำในวาระต่างๆตามที่ได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้นในการจัดทำหนังสือเล่มนี้หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นคณะผู้จัดทำขอน้อมรับเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวคณะผู้จัดทำ เด็อกันญายนสอ5 5ั